เมื่อวานคณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขตหนึ่งครูบาอาจารย์ทั้งหมด4ี่สิบห้านักเรียนส1บรวนัเป็น76็6สเจ็สทั้งครูบาอาจารย์ทั้งนักเรียนเมื่อวานก็ได้มาไหว้พระรับศีลจากนั้นก็ได้ฟังหลวงพ่อกล่าวสมโภทนิยกรถา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 ครูบาอาจารย์มาทานข้าวเย็นเดี๋ยวเอาเปรียบคูบามากเกินไปเอาแต่ข้าวต้มกมพอรองท้องก็อพอละมั่ง ก, ก็เลยให้ทางครัวเขาทํำข้าวต้มมาให้เมื่อวานเนี้ยพอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็วันนี้เราลูกหลานนะถ้าหิวก็ทานวันนี้เอาเต็มที่เลยวันนี้พอหลวงพอ่อหลงตาพาทานมื้อเดียวทานมื้อเช้าแล้วก็จบแต่ลูกหลานทานสามมือ้อ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 ฝ่ายในก็จะรักษาศินให้บริสุทธิ์ศิล227จะพยายามให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยจากนั้นก็ศินอภิสมาจารอีกมากมายถ้าว่าผู้ที่เคยบวชแล้วจะรู้ว่าศินพระปฏิโมกนั่นคืออะไรศินอภิสมาจารนั้นคืออะไรศินอภิสมาจารคือศินนอกจากพระปฏิโมกถ้าจะนํามาสวดทั้งหมดไม่ไหวเหมือนกันจ้ะ สวดเป็นสามสี่ห้าวันเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่จบเหมือนกันใครจะไปเรียนได้เพราะฉะนั้นสวดสองรี่สิบนสยยีสิบเจ็ดข้อแล้วก็สีนอภิสมาจารมีอีกสินอภิสมาจารนั่นคืออะไรคือกฎบัญญัติให้พระสงฆ์ปฏิบัติอย่างว่าให้พิกษุปปองผมนะปองหนวดนะตัดเล็บนะถ้าไม่ตัดเล็บเป็นอาบัติถ้าไม่ปองผมเป็นอาบัติถ้าไม่ปองหนวดเป็นอาบัติเนี่ยถ้า ในพระวินัยไม่มี200รยี่สิรข้อนะั้นไม่มีแต่ว่าสีลนพิสมาจาในท่านจะบัญญัติรองลงไปคือให้พระสงฆ์ปฏิบัติอันนี้แหละคือกฎระเบียบของพระสงฆ์ท่าว่าไปแล้วมากแต่ว่าย่นย่อลงมาถึงจะมากขนาดไหนก็เถนะิะพระในครั้งพระพุทธเจ้าบวชเข้ามาแล้วอ่อนอกอ่อนใจว่าจะรักษาได้อย่างไงทั้งสินีข้อนะี่ก็มากแล้ว อย่างสีในพิสมาจารย์อีกเป็นพันๆเป็นหลายพันสิกขาบทะอาจจะถึงหมื่นก็ไม่รู้จะให้รักษาได้ยังไงถ้าผมรักษาไม่ได้ผมก็ต้องเป็นบาปเพราะฉันอาหารชาวบ้านเขาใช้ของชาวบ้านเขาและตัวเองไม่มีศินศินไม่บริสุทธิ์สินไม่ครบผมคงอยู่ไม่ได้พัฒนาอาจารย์ผมคงจะลาสิกขาวันนี้แหละคือบวชเข้ามาแล้วอาจารย์สอนวิัยให้แต่สอนกฎระเบียบให้ สิกขาบทกิจที่ควรทํากิจที่ไม่ควรทําเมื่อเราเป็นพระแล้วกิจที่ควรทําอนุสาสตร์แปอย่างนิส 4, ัยสี่กิจที่ควรทํอาอการณียกิจสกิจที่ไม่ควรทํารวมแล้วเป็น8ปนดะจากนั้นก็นไล่ไปเรื่อยปาลาชชิกสี่สังฆาทิเศษเจ็ดสิส 13, อนยศสองนิสกียปาจิตตี30ปาจิตตีเกิบสปฏิเทจนิยะ 4, สี่เศษกิยวัดเจ็ดทิพภารวมกันเป็นร้อยสอง2้อ นับทั้งอธิอธิกรณะสมถะเข้ารวมเป็น2องยี่สบเ็ดนี่แหละศีลของพระปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ศีลใพิสมาจารย์ยังมีเอกพระใหม่ได้ยินอ่อนอกอ่อนใจโอ้จะให้ผมรักษาศีลทุกข้อพงไม่ไหวผมขอกลับไปเป็นฆราวาสบำเพ็ญทานศีลภาวนาเพื่อสั่งสมบุญกุศลจะดีกว่าครับผมมารักษาศีลนีงไม่ไหวละผมขอลาศิกขา แต่นี่พระที่เป็นครูบาอาจารย์ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะวินัยทั้งหลายไม่ใช่พระวินัยของพระบัญญัติขึ้นเป็นวินัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นผู้บัญญัติวินัยถ้าคำว่าคนเข้ามาบวชแล้วพูดอย่างนี้บ่อยๆทุกคนล่ะจะทํำยังไงพระสงฆ์เหล่านั้นกังตาใจอ๋อต้องไปกราบพระพุทธเจ้าแต่ได้ไปกราบพระพุทธเจ้าเพราะวันนพระองค์เนี่ยเขาค้านขึ้นมาว่าเขาอยู่ไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะว่า จะให้รักษาสินถึงเป็นร้อยเป็นพันอย่างนี้หลายพันอย่างนี้ไม่รู้เท่าไหร่จะให้รักษาทั้งหมดเขาไม่มีความสามารถเขาจะลาศิขาเขาจะไปเป็นคารวาดเขาจะรักษาสินห้าสินอุโบสถคือศินแปดก็น่าจะเพียงพอสำหรับเขาเขอมีความมีขีดความสามารถเท่านั้นแต่ถ้ารักษามากกว่านั้นเขารักษาไม่ได้เมื่อรักษาไม่ได้เขาก็บินดาบัฉันอาหารชาวบ้าน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 ข้าพระ อ, องค์ไม่สามารถที่จะรักษาได้พระพุทองค์บอกว่าถ้าอย่างนั้นรักษาอันเดียวได้ไหมรักษาข้อหนึ่งรักษาข้อเดียวนั่นน่ะโอ้ารักษาข้อเดียวมากขนาดยากขนาดไหนข้าพระ อ, องค์ก็ทำได้จะรักษาข้อเดียวยากขนาดไหนก็ทำได้พระเจ้าค่ะเออเอาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอไม่ต้องรักษาให้มันยุ่งยากอย่างอื่นหรอกรักษาอันเดียวพอวคือรักษาใจนะ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 เพราะนั้นสินเลวินัยไม่มากอันนี้ก็คือพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาสำหรับคณะสัาย า, า, าติโยมล่ละหลวงพ่ออยากจะบอกอยากจะเตือนอยากจะกล่าวว่าในพรรษาเนียปี2553เนี่ยเข้าพรรษามาเมื่อวันที่27สกรกฎา53สวันนี้เป็นวันที่8สิงหาห้สเข้าพรรษามา1ิบกว่าวัน หลวงพ่อไว้อยากจะให้พวกเราคือไม่สายเกินไปคือตั้งจิตอธิษฐานมาวัดหลวงพ่อมีพระประธานอยู่ต่อห น, น้าพระพุทธะอุดมมงคลอีกตากหากนะเป็นพระที่อุดมไปด้วยมงคลพระประธานที่วัดหลวงพ่อเพราะนั้นกลาพระประธานเสร็จแล้วเออวันนี้ข้าพเจ้าเนีได้มาทมําบุญที่วัดหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อพูดว่าในพรรษา น, น, นี้ควรจะยึดอะไรเป็น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 เกิดญาณทัศนนะเกิดฌานพอเกิดฌานขึ้นมาพระองค์น้อมจิตระลึกชาติผลหลังจะว่าปุพเพในวารส า, รานุจติญาณระลึกชาติผลหลังได้ถ้าว่าตายแล้วศูญจะระลึกชาติผลหลังได้ยังไงถ้าไม่มีเมื่อวานเนีเราจะระลึกได้ยังไงว่ามีมีเมื่อวานในเมื่อมีเมื่อวานเราจึงย้อนไปถึงเมื่อวานนี้ได้แล้วก็ระวันพรุ่งนี้แลหละจะนี่ยมีไหมเมื่อเมื่อวานนี่มีวันนี้มีวันพรุ่งนี้ก็ต้องมี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 ในเมื่อเกิดมาชาตินี้แล้วต้องทํากรรมชั่วอีกต่อไปแล้วก็จะวิบากจริงซดลงไปอีกเพราะว่ากรรมดีกรรมชั่วนะ่ยมันทํามาในอดีตอย่างพราหมณ์ท่านหนึ่งเกิดมาชาตินี้รวยมากในกรุงสวรรค์ถีรวยจริงๆเหงว่างั้นเป็นมหาเศรษฐีแต่ขี้เหนียวมากไม่รู้จักทําบุญทําทานเลยเวลาคนมาใกล้เนี่ยญาติพี่น้องมาใกล้เนี่ย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 พอตายไปแล้วพญาประเสิทธิ์ขนมาเจ็ดวันแต่ทางทุกวันเนี่ยจะมีรถสิบรอนะคงจะไม่ถึงขนาดนั้นแล้ ว, ว่ามันเร็วอันนั้นกเกวียนะพอขนมาแล้ววันที่แปดวันที่เจ็ดพอขนเสร็จแล้วพญาประเสิทธิ์ก็ไปกราบพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้พ า, พ า, าพุทธิยามหาภูพิตรมาจากไหนทําไมมาตอนบ่ายอย่างนี้โอ้ข้าพระองค์เสร็จถีตายไม่มีทายาทก็เลยได้ขนทรัพย์อยู่เจ็ดวันพระเจ้าค่ะเพิ่งเสร็จวันนี้ละ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 ชีวิตดูว่าดวงวิญญาณดวงนั้นเลยว่างั้นเถอะเพราะออกจากนี้ไปแล้วก็จบแล้วพระญาปเสนก็กราบทูลถามว่ารวยบุญอา น, นิสง์อะไรหนอพระเจ้าข่าเขาจึงได้รวยถึงขนาดนี้เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าในอดีตชาติของเขานเป็นองค์ขมนตรีถ้าเปรียบเทียบทุกวันเนี่ยนะแต่ว่าเป็นปโปรหิตราจานถ้าพูดตามศัพท์เป็นปโปรหิตราจานเป็นผู้กล่าวแนะนําสั่งสอนเป็นผู้ทําราชการเป็นหูเป็นตาให้พระราชา พระราชาก็ต้องมีหูมีตาเหมือนกันนะสอดส่องประสบนิกรประเทศชาติของพระองค์เป็นยังไงก็ต้องใช้เนี่พวกปุโรหิตราจานทั้งหลายแหลเ่เป็นผู้สอดส่องดูแลจากนั้นมีเรื่องอะไรก็ก็ไปกราบทูลพระราชาหรือพระราชาทําสิ่งไหนที่พรประชาชนประชากรของไม่ชอบนะพวกนี้ก็ต้องได้ ก, กราบทูลพระองค์พระองค์ท่าน น, ะนี่แหละท่นี้พอ โปโลหิตตาจานไปเห็นพระประเจกกําลังบินเทบาตนี่ยองค์เดียวนะพอเห็นบินเบาตพระประเจกท่านก็ออกจากนิโรธสมาบัติท่านออกมาแล้วท่านก็เดินในตลาดคนมากโปรโลหิตจะบอกเห็นพระประเจกเท่านั้นอ่ะเอ้าไทบาดตักบาดไสบาดตักบาดเน้อลูกหลานเน้อใสบาดพระประเจกพระประเจกพุทธเจ้าทีนท่านเดินมาบินเทบาตไสบาดพระประเจกเน้อคนทั้งหลายเห็น ปโรหิตตาจารประกาศเขาก็เลยใส่บาดพระประเจกส่วนพระประเจกอ่ยสมัมมาหัวโล้นเนี่ยกินข้าวแล้วก็ไม่เห็นทําการทํางานอะไรไปตีพุงอยู่ในป่านะไม่ได้ทําการทํางานอะไรเสียราชการเสียเงินเสียวัตถุเฉยเฉยท่าทุกวันนี้เขาก็คงจะว่าเป็นกาฝากอยงนั้นแต่ในบาลีท่าไม่ได้พูดอย่างนั้นพอพูดเสร็จแล้วปโรหิตตาจารเนี่ยเดินเข้าไปในเวียงวังก็ทํางานต่อไป ไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ทําบุญเหมือนกันนะต่นี้พอจากนั้นมาท่านก็ตายในชาตินั้นวนะ่ะพอตายที่ท่านประ ก, กาศให้คนทําบุญท่านไปสู่สวรรค์นนะว่าอนเนกสงฆ์พระปเจกพระเเจ้าเลียท่านก็ไม่มีอาหารจริงๆรนะิงวันนั้นคนไปใส่บาตรให้ท่านท่านก็ได้ใส่บาตรโปรหิตตัวก็ได้บุญในบุญในขณะที่จิตใจที่เป็นกุศลประกาศเหมือนกันถนะ้าว่าประกาศเสร็จแล้วก็ท่านก็ไปทํางานพราะทำงานในเวียงระวังจากนั้นท่านก็ตาย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 มิถะหาเพิ 1, so, eating, ่มเข้าอีกจะกินเงินได้มาพันหนึ่งก็กลัวมันจะขาดพันได้แสนมาก็กลัวจะขาดแสนเอาไปมาแล้วเก็บหมดเลยว่างั้นเวลาใช้ผ้าก็ใช้ผ้าขาดที่เขาไม่ใช้แล้วนี่ป้าเย็บมันชารุดที่ไหนมันชารุดเอาเศษทีเอามาใช้ล่มอันไหรที่มันขาดเอาเศษทีเอามาใช้รองเท้าที่มันขาดที่มันชารุดที่เขาขายไม่ออกเอาเศษทีเอามาใช้มาซ่อมใช้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 ถา้าทำคุณงามความดีไว้ก็ไปเกิดเป็นภูมิมะลุกขะเทวดาอยู่สันชวั์ชั้นพรมถ้าทำามใช้ใจิตใจบริสุทธิ์เป็นพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาเป็นพระรหันถ้าพระรหันนั่นคือชำละใจไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะเหมือนกับเมล็ดข้าวมเมล็ดข้าวหรือมเมล็ดขนุนะเอาไปต้มซะเอาไปนึ่งซะเอาไปเผาไฟให้มันสุกเชื้อมันหมดแล้วกิเลสออกจาก ข้าวเม็ดข้าวเม็ดนั้นแล้วเอาไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะเชื้อมันหมดนะนี้ก็เหมือนกันใช้แต่ปัตธรรมคือศีลสมาธิปัญญากานกรองใจของพวกท่านทั้งหลายแล้วเมื่อกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจแล้วจิตใจบริสุทธิ์แล้วจะไม่มาเกิดอีกอันนี้คือพระหรหันสนี่แหละเพราะพระพุทธเจ้าท่านพูดเป็นขั้นตอนดังะะนั้นขอให้พวกคณะสัตายาจอม ท, ท, ทุกทุกท่านนะ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 ต้องทําเองคนอื่นทําแทนไม่ได้เพราะฉนั้นให้พวกเราศึกษาทดลองดูนะก่อนหลับกอนอนกันนั่งภาวนาหลับตาไม่ต้องให้ใครเห็นก็ได้หลับตานึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนใจถ้าว่านึกพุทโธพุทโธไม่ยังออกไปอยู่ให้นับเลหนึ่งหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่นับถึงรอ้อไม่เผลอแปลแว่าใช้ได้เริ่มใช้ได้ถ้าว่านับถึง4ี่ถ้าเพลอแั๊บ ถึงเดถึงแเผลอปับเราไม่น่าจะไว้ใจเรานะโอ้ถ้าเผลอมากกว่านี้เราเป็นบ้าแน่แน่แนเี่เพราะมันขาดสติเนี่ยเวลานับไปนับไปหายใจเข้านับ1หายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับ4ี่รับไปเลยจนถึงร้อยนีมันเผล่กี่ครั้งจะรู้ได้ยังไงว่ามันเผล่เวลาหายใจเข้าหนึ่งเป็นเลขขี่ใช่ไหมเวลาหายใจออกคู่เป็นเลขสองหายใจเข้าเป็นเลขขี่สหายใจออกเป็นเลขสี่คู่ ให้เท่าคู่ขีคู่ขี้คู่ขี้ทีนี้มันจะเบอร์เวลามันจะหลงมันจะเบอร์เบอร์เบอร์เสร็จแล้วหายใจเข้าสามสิบสองหายใจออกสามสิบสามเนี่ยแปลว่ามันเบอร์แหละมันพิกล็อกแล้วว่างั้นอันนั้นแลนปลว่าใช่ไปได้แหละสติเราขาดอหายใจพอนับไปหน่อยหนึ่งหายใจออกแปดหายใจเข้า 9, เก้าเนี่ยแปลว่าพิกล็อกและ้ะหายใจเข้ามันต้องเป็นหนึ่งเหลือไม่เลขขี่นะ หายเจ๊ออกเป็นเลขคู่นะนี่แหละให้พวกเราสังเกตตัวของเราเองเวลานั่งสมาธิถาาว่าพวกเรานั่งสมาธินั่งกําหนดนับนับนับถึงร้อยนะถ้าถึงร้อยแล้วไม่เผลอแนะปลว่าเราใช่ได้หนึ่งนาทีกว่ากว่านับอีกไม่เผลออีกใช่ได้ต่อไปสติของเราจะดีขึ้นเรื่อยเรื่อเรื่อยเืยเย เ, ย เ, เราจะกําหนดเรื่องอะไรเราจะรู้ได้ด้วยตนเองจะไม่เบเเื่อเบอเผลอเผลอเลืรอไปเลยแต่ถาาว่า เรานับไปนับมามีแต่หลงอยู่เื่อยหลงอยู่เลยหลงอยู่เล ย, ล ย, เลยต่อไปเมื่อเท่าแก่ชรามานะ่ยเอาละทีหลงลืมไปหมดเลยทีนี้ปั๊มปั๊มเปืเปอ่เปอเปื่นี่ยทีนี้กินข้าวแล้วก็บ่กไม่ได้กินเลยทีนี้เพื่ออะไรเพราะจิตของเราเรือนลางฮะเป็นอันซเมอร์ได้นง่ายๆเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะฝึกสมาธินี่มันเป็นผลประโยชน์ของเราเองจนถึงเท่าแก่ชราในเมื่อจะตายแล้วไม่หลงตายอีกต่างหากถึงข้าวเราแล้วเหรอ